อนิสง์ของการเจริญสติปัฏฐานดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ตลอดเจ็ดปีเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอระหัตนตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีเจ็ดปียกไว้ ผู้ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ตลอดหปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนหเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนกึ่งเดือนเจ็ดวันเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตนตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทฐิเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกะและปริเทวะเพื่อความดับศูนแห่งทุกโทมานต์เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่อา น, นิสงส์อันเป็นผลข้างเคียงจากการเจริญสติปัฏฐาน รวบรวมคำยืนยันของผู้ปฏิบัติสติปฐานสี่แล้วเกิดความรู้เห็นอันยิ่งหรืออภิน ญ, ญาประการต่างๆดังนี้วิปากสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้วิบากของการกระทำกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปฐานสี่เหล่านี้ อิทิสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเรายอมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหโมโลกก็ได้เพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้ทิปพปโสดสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเรายอมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ ด้วยทิพยโส์อันบริสุทธิ์ล่วงโสดของมนุษย์เพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้เจโตปริจจะสูดดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นเพราะได้เจริญได้กระทาให้มาก ซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้ฐานะฐานาสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้ฐานะโดยความเป็นฐานะและอัถฐานะโดยความเป็นอัฐานะต่างความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้สัพพะทขามินีปฏิปทาสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย เราย่อมรู้จักปฏิปทาอันให้ถึงประโยชน์ทั้งปวงตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้นานาธาตุสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้ธาตุเป็นอเนกและโลกธาตุต่างๆตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อธิมุตติสูตร ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้อัธยาศัยอันเป็นต่างๆกันของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อินทรียสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นตามความเป็นจริง เพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้สังกิเลสสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเรายย่อมรู้ความเศร้าหมองความผ่องแพ้วความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัตตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้วิชาสูตรที่หนึ่งดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย เราย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างนับร้อยนับพันและนับกลับนับกันบ้างเราย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งเหตุการณ์ความเป็นไปชื่อสกุลบุคคลต่างๆเป็นต้นด้วยประการชนนี้เพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้วิชาสูตรที่สองดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย เราย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ลวงจักสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้วิชาสูตรที่สามดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมกระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันทำลายอาสวะคือกิเลสมักดองในคันทะสันดาน เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้จบเสียงอ่านหนังสือเจ็ดเดือนบรรลุธรรมงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉสามารถเผยแพร่แจกจ่ายต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น ติดตามดาวน์โหลดธรรมะอื่นๆได้ฟรีที่ net, j o โ h ดเน josho.net หรือพิมพ์คำว่าโจโฉที่ Google ได้เลยนะครับกราบขออภัยครูบาอาจารย์และทุกท่านหากมีข้อบกพร่องในการอ่านหรืออ่านผิดในบางคำเพราะบางคำผู้อ่านเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะอ่านว่าอย่างไรจึงต้องขออภัยมณะที่นี้เป็นอย่างสูง หนังสือเล่มนี้เนื้อหาค่อนข้างดีมากๆรวบรวมการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดทำให้เรามีแนวทางและก็จับคลำทางไปได้ง่ายขึ้นนะครับอยากให้ฟังซ้ำๆเรื่อยๆแล้วท่านก็จะพบเองว่าจะเกิดความมหัศจรรย์ทางจิตที่ได้รู้ได้เห็นถึงข้อธรรมที่สอดแทรกอยู่ในบทความแต่ละบทอีกมากขอให้ทุกท่านเจริญรู้เรื่องในทางบุสยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยกันทุกท่านนะครับ